ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคขารหันดัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยสังขะอัตคถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีรังการชนนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่ยี่สิบปดตุ ป, ปัจจยะภาชนิยะวินิจยกักถา กถาวิไจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปัจจัยสี่ต่อในมาติกาว่าถวายแก่สงสองฝ่ายนี้มีเนื้อความดังต่อไป น, นี้อันนี้ก็เป็นมาติกาข้อที่ห้าถวายแก่สงสองฝ่ายคือภิกษุณีสง์กับภิกษุสง์กล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่อุปตโตสงท้าทายบเป็นผู้ มาถวายชีวรว่าขอถวายแก่อุปตสงคือทั้งที่สุดสงและทีษสนิสง์เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงโดยส่วนสองก็ดีข้าพเจ้าถวายแก่สงสองฝ่ายก็ดีกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่ทิกสุดสงด้วยแก่ิกุ่นีสงด้วยก็ดีผ้านั้นเป็นอันเขาถวายแก่สงสองฝ่ายแท้ ในการถวายไส้สองฝ่ายนั้นถ้ามีพิกษุแม้หลายรูปมีพิกษุณีเพียงรูปเดียวพึงให้กึ่งหนึ่งอธิบายว่าพึงตามเป็นสองส่วนเท่าๆกันให้ฝ่ายละส่วนเพราะฉะนั้นคําถวายนี้ก็สําคัญถ้าถวายพิกษุด้วยภิกษุสองด้วยพิกษุณีสองด้วยมันต้องแบ่งครึง่งแม้ว่าจะมีพิกษุณีรูปเดียวก็ตามถ้ามีพิกษุณีแม้หลายรูป ภิกษุมีรูปเดียวก็พึงให้กึ่งหนึ่งเหมือนกันเมื่อทายกกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงสองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วยดังนี้ถ้ามีภิกษุสิบรูปภิกษุณีสิบรูปพึงทำให้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนเพราะว่ามีการแถนด้วยก็คือคำกา บ, บอกว่าถวายแก สองสองฝ่ายด้วยแล้วก็แก่ท่านด้วยนั้นพิกสุรูปที่รับก็อยู่ในจำนวนของพิกสุสงแต่ก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งต่างหากมันก็ทําให้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนก็ให้แก่บุคคลส่วนหนึ่งให้แก่พิสุสงสิบส่วนให้แก่พิกสุนีสงสิบส่วนส่วนหนึ่งก็ได้ไปอีกต่างหาเฉพาะบุคคลอันพิสุใดได้แล้ว ภิกษุนั้นย่อมได้เพื่อถือเอาตามลำดับภรษาของตนจากสงฆ์อีกเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ภิกษุรวมเข้าด้วยศัพ์ว่าอุปโตสงฆ์กสุสก็คือรวมอยู่ในหมู่ของภิกษุสงฆนั่นแหละเพราะว่าเขาก่าวถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายภิกษุรูปนี้ก็รวมอยู่ในสงฆ์ด้วยแต่ว่าเขาถวายอีกอันหนึ่งก็คือเขาถวายแก่ท่านด้วย เระฉะนนท่านก็มีอีกส่วนหนึ่งแม้ในผ้าที่เขาบอกถวายว่าข้าพเจ้าถวายแก่สงสองฝ่ายด้วยแก่เจดีด้วยก็มีในเหมือนกันก็คือต้องแบ่งส่วนให้กับเจดีส่วนหนึ่งแต่ในคําถวายนี้ไม่มีส่วนที่จะถึงแก่เจดีจากสงคือถวายแก่สงสองฝ่ายก็แบ่งไปเฉพาะพิกรุปจารรูปแ่ละรู ป, รปพิกตุนีตารรูปไป แต่ว่าจะดีเนี่ยให้ตัวหนึ่งขณะที่แบ่งส่วนของพิกสุสงก็ไม่มีส่วนของเจดีแบ่งส่วนของพิกสุนีสงก็ไม่มีส่วนของเจดีย์เจดีก็ได้ส่วนเดียวมีแต่ส่วนที่เท่ากับส่วนที่ถึงแก่บุคคลผู้หนึ่งเท่านั้นสําหรับเจดีอันหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่สองสองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วยแกเจดีย์ด้วยถวายแกเจดีด้วย แก่ท่านด้วยพึงทำให้เป็นยี่สิบสองส่วนให้พิกษุสิบส่วนให้แก่พิกษุนีสิบส่วนให้แก่บุคคลส่วนหนึ่งให้แก่เจดีย์ส่วนหนึ่งในบุคคลและเจดีย์นั้นบุคคลย่อมได้เพื่อถือเอาอีตามลำดับพรรษาของตอนจากสองด้วยสาหรับเจดีย์พึงได้ส่วนเดียวเท่านั้นอันหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าขับเจ้าจถวายแก่พิษุสองด้วย แก่พิกษุนีทั้งหลายด้วยอย่าแบ่งกลางให้ถ้าคํากล่าวว่าถวายแก่พิกษุสงด้วยแก่พิกษุนีทั้งหลายด้วยอันนี้ไม่ใช่พิกษุณีสงแต่พิกษุนีทั้งหลายพึงนับพิกษุและพิกษุณีแล้วให้อันหนึง่งเมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่พิกษุสงด้วยแก่พิกษุณีทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วย บุคคลไม่ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งย่อมได้เฉพาะส่วนเดียวจากลำดับที่ถึงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเหตุที่บุคคลอันเขารวมเข้าด้วยศับว่าทิกษุสง์แม้เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่ทิกสุสง์ด้วยแก่ทิกษุณีทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วยแก่เจดีด้วยเจดี JD ก็ได้ส่วนเท่ากับ บุคคลผู้หนึ่งบุคคลไม่ได้ส่วนอีกผแผนกหนึ่งเพราะฉะนั้นพึงให้แก่เจดีส่วนหนึ่งที่เหลือพึงนับภิกษุและภิกษณีแจกกันเพราะนั้นต้องสังเกตคำกล่าวว่าคำกล่าวนั้นกาวอย่างไรแม้เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่ทิดดุด้วยแก่ทิกุณีด้วยก็อย่าแบ่งกลางให้พึงแบ่งตามจำนวนบุคคลเท่านั้น เมื่อเขากล่าวอย่างนี้ว่าถวายแก่ภ so ิกษุด้วยแก่ภิกษุณีด้วยแก่ท่านด้วยก็ดีถวายแก่ภิกษุด้วยแก่ภิกษุณีด้วยแก่เจดีย์ด้วยก็ดีถวายแก่ภิกษุด้วยแก่ภิกษุณีด้วยแก่ท่านด้วยแก่เจดีย์ด้วยก็ดีเจดีย์ก็ได้ส่วนเดียวเท่านั้นบุคคลไม่มีส่วนอีกแผนกหนึ่งเพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงภิกษุสงอ์ พึงนับิสุและพิสนีทั้งหลายเท่านั้นแจกกันเหมือนอย่างว่าข้าพเจ้ายกพิสุสง์ให้เป็นต้นอธิบายความฉันใดบัณฑิตทุพงยกพิกสุนีสง์เป็นต้นบ้างอธิบายความฉันนั้นกันเมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่พิสุสง์ด้วยแก่ท่านด้วยบุคคลไม่ได้ตัวอีกแผนกหนึง่งพึงถือเอา ตามลำดับพรรษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นทับถวายแกพิกสุสงพิจุณีสงด้วยแก่ท่านด้วยอันนี้ถึงท่านเนี่ยมมนหมายถึงภิกษุมีส่วนหนึ่งได้พิเศษจากสง น, นับตามพรรษาแล้วได้แล้วส่วนหนึ่งแกท่านก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่ถ้านี่ถวายจากพิกษุสงด้วยแก่ท่านด้วยอันนี้บุคคลไม่ได้กิดส่วหนึ่งตึงหักพึ่งถือเอาตามลำดับพรรษาเท่านั้น อันหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าถวายแกพิกสุสงด้วยแกเจดีด้วยเจดีได้ส่วนอีกผแผนกหนึ่งอันนี้เจดีได้อีกส่วนอีกแผนกหนึ่งนะเมื่อเขากล่าวว่าถวายแกพิกสุสงด้วยแกท่านด้วยแกเจดีด้วยเจดีเท่านั้นได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งบุคคลไม่ได้อันนี้พอเหี้ออยใครไม่ได้บอกเหตุผลไว้น้ว่าทาไม ถวายแก่พิกจูสงพิจูณีสงแกท่านด้วยเนี่ยคําว่าแก่ท่านด้วยเนี่ยได้ตัวหนึ่งโดยบุคคลแล้วก็นับตามรรษาได้อีกด้วยนะแต่ถ้าเกิดถวายแก่พิกจุสงด้วยแก่ท่านด้วยท่านมีไม่ได้ตัวหนึ่งตัางหาต้องไปถือเอาตามบรรษาเท่านั้นแต่ถ้าบอกว่าถวายแก่พิกจุสงด้วยแก่เจดีย์ด้วยเจดีย์กลับได้อีกตัวหนึ่งต่างหา ถ้าถวายแกสองด้วยแก่ท่านด้วยแกเจดีด้วยเจดีเท่านั้นได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งบุคคลกลับไม่ได้แม้เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่พิจูดทั้งหลายด้วยแกท่านด้วยบุคคลก็ไม่ได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งแต่เมื่อเขากล่าวว่าถวายแก่พิกูดทั้งหลายด้วยแกเจดีด้วยเจดีย่อมได้ส่วนอีกแผนกหนึ่งแม้เมื่อเขากล่าวว่า ถาวายแก่ที่สุดทั้งหลายด้วยแก่ท่านด้วยแก่เจดีด้วยเจดีเท่านั้นย่อมได้ส่วนอีกแผนกหนึง่งบุคคลกลับไม่ได้เพิ่งยกทฤษดีส่งให้เป็นต้นบ้างประกอบเนื้อความอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจดจำตามที่ท่านแสดงตามยัญชินั้นแต่ว่าเหตุผลนี้ก็ต้องค่อยมาคิดหาเหตุผลกันว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น สำหรับปัจจัยสที่เขาถวายพระเจดีย์เนี่ยควรทำอย่างไรถามว่าเฉพาะในการก่อนทายกทั้งหลายถวายทานแกสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งตรงกลางพิกูุนั่งข้างขวาพิษุณีนั่งข้างซ้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสังฆเถระแห่งสงสองฝ่ายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบริโภคปัจจัยที่พระองค์ได้ด้วยพระองค์เองบ้างรับสั่งให้ถวายแก่พิจุทั้งหลายบ้างส่วนในบัดนี้คนผู้ฉลาดทั้งหลายตั้งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุแล้วถวายทานแก่สงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตั้งบาตรบนเชิงข้างหน้าแห่งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์แล้วถวายทักสีโนทกกล่าวว่า พอถวายแด่พระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็ใส่ของควรเคี้ยวของควรบริโภคส่วนที่หนึ่งในบาตรนั้นหมายถึงใส่อาหารส่วนที่เลิศเลยที่ควรจะให้แก่พระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ของเราก็มีการถวายข้าวพระพุทธแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาอาหารใส่ถ้วยเล็กๆใส่ถาดไปไปวางไว้บนผ้าขาวอันนี้ทําไม่ถูกหลักถ้าจะทําถวายแด่พิจุ สองที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจริง ก, ก็ต้องตั้งบาตรเอาไว้แล้วก็ถวายอาหารส่วนที่เลิกหรือนํามายังวัดถวายบินฑบาตและดอกไม้และของหอมเป็นต้นกล่าวว่าทัวข้าพเจ้าถว า, ถวายถึงนี้แก่พระเจดีย์อันนี้ก็เท่ากับถวายแก่พระพุทธเจ้าเอนกานเพราะว่าพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีหรือกธาตถามว่าพึงปฏิบัติอย่างไรในของควรเคี้ยวและของควรบริโภคนั้น ตอบว่าอันดับแรกควรนำดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปวางไว้ที่พระเจดีผ้าพึงใช้ทำทงแผ่นผ้าน้ำมันใช้ตามประทีปส่วนบินทบาทและเพสัชมีน้ำพิ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นพึงให้แก่บรรพชิตหรือคระหักซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระเจดีเป็นประจำก็จะนั้นควรให้แก่ พรัปุตตุก็ได้หรือว่าเครื่ัสก็ได้ที่ดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นก็เท่ากับว่าเขาดูแลรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ฉันทิฏฐุหรือว่าเครื่ถัดที่ดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ก็ควรจะเอาไปบริโภคได้เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเป็นประจำสมควรจะตั้งไว้ดังพัดที่ตนเองนํามากระทําวัดแล้วฉันคือไม่มีใครดูแลพระเจดีย์ประจำ ตัวเองก็เอาไปฉันได้แต่ว่าต้องไปดูแลไปปัดกวาดไปทําความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นการกระทําวัดแล้วก็นําพัดนั้นมาฉันได้ในเวลากระชั้นหมายถึงว่าเวลาใกล้เที่ยงแล้วฉันเสร็จแล้วจึงทําวัดต่อภายหลังก็ควรเหมือนกันก็เมื่อเขากล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงนําสิ่งนี้ไปทําการบูชาพระเจดีย์ทางนี้ บรรดาดอกไม้และของหอมเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งแม้ในที่ไกลก็ควรนาไปบูชาแม้เมื่อเขากล่าวว่าท่านจงนาไปเพื่อภิกษุสงฆ์ก็ควรนาไปให้และถ้าเมื่อภิกษุกล่าวว่าอาตมาเที่ยวไปบินป่าอยู่ภิกษุอยู่ที่อานสนะสายลามีหลายรูปภิกษุที่อานสนะสายลานั้นจับนำไปให้ถ้าเกิด มีญาติโยมเขานาอาหารมาถวายแล้วก็ขอให้นาไปใ ห, ให้กับพิกจุสงฆ์ถ้าตัวเองเที่ยวบินตบาทอยู่ก็บอกว่าพิจุที่อัศซนาสารานั้นมีขอให้เขานำไปเธออาจจะมากำลังเที่ยวบินตบาตอยู่ถ้ายกกล่าวว่าท่านผู้เจริญขับจ้าถวายท่านนั่นแหลสมควรชังได้ก็ถ้าว่าเมื่อพิกจุกําลังนําไปด้วยตั้งใจว่าจะถวายพิกจุสงฆ์เวลากระชั้นเสียในระหว่างทางเที่ยว สมควรให้ถึงแก่ตนแล้วฉันเถิดก็คือตั้งใจหรือว่ากล่าววาจาว่าพัะ ห, หรือวาอาหารเหล่านี้เนี่ยถึงแก่เราก็ให้ถึงก็เรียกว่าเป็นการแจกแล้วเพราะว่ามันจะเลยเที่ยงแล้วมันฉันเสียเพราะมันเลยเที่ยงแล้วก็เสียไปเปล่าๆอันนี้ก็เป็นการถวายวัตถุมีพัดเป็นต้นแจกติตุสองสองฝ่ายเจดีก็จะต้องแจกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นอาหารก็แล้วแต่ต่อไปมรติกาข้อที่หกในมรติกาว่าถวายแก่สงผู้จำพรรษานี้มีวิธีไฉดังต่อไปนี้ก็ถ้าทายกเข้าไปยังวิหารแล้วถวายว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่สงผู้จำพรรษาที่สุมีจํานวนเท่าไหร่ในอาวาสนั้นจำํำพรรษาต้น ไม่ทำให้ัรรษาขาดเหล่านั้นพึงแจกกันก็คืออยู่จำพรรษาแล้วก็ไม่ขาดพรรษาจึงมีเสรจที่จะได้รับแจกชีวอนที่เขาถวายแต่พิจูผู้จำพรรษาชีวอนนั้นไม่ถึงแก่พิจุเหล่าอื่นที่ปรรษาขาดเมื่อผู้รับแทนมีอยู่พึงให้แม้แก่พิจุผู้หลีกไปถูทิศจนกว่ากระถินดอกถ้าเกิดอปกพาแล้ว พระผูถ้ถกก็หลีไปถูกทิศแล้วแต่ว่าภาพเกิดขึ้นก็ต้องแจกบุคคลที่จำเป็นสอนด้วยผู้ที่รับแทนมีอยู่ก็ ก, กวรจะแจกให้ไปพระอาจารย์ทั้งหลายผู้เข้าใจลักษณะกล่าวว่าแต่เมื่อไม่ได้กรานกฐินก็แลจีวรที่เขาบอกถวายอย่างนั้นในภายในเหมันจะรดูก็คือรดูดาว ย่อมถึงแม้แก่ที่สุดทั้งหลายผู้จำพรรษาหลังด้วยส่วนในอันจฉริยทั้งหลายหาได้พิจารณาข้อนี้ไว้ไหมก็ถ้าว่าทายกตั้งอยู่ภายนอกอุปจารสมากล่าวว่าข้าเจ้าถวายแก่สงผู้จำพรรษาจีว น, นั้นย่อมถึงแก่ที่สุดทั้งปวงผู้มาถึงถ้าเขากล่าวว่าถวายแก่สงผู้จำพรรษาในวั ด, ดน้น ย่อมถึงแก่พิสูจทั้งหลายผู้จำภาษาในวัดนั้นเท่านั้นจนกว่ากระถินดอกแต่ถึงเลิกคือถึองกระถินก็ถ้าว่าเขากล่าวอย่างนั้นตั้งแต่วันต้นแห่งคินหะฤดูก็คือฤดูร้อนตั้งแต่ฤดูร้อนไปย่อมถึงแก่พิสูจนทั้งปวงผู้พร้อมหน้ากันในวัดนั้นเพราะเหตุใด เพราะจีวรนันเกิดขึ้นภายหลังสมัยก็คือสมัยจีวรการนะเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแต่ที่สุดทั้งหลายผู้จํารรษาดังนี้ได้ภายในพรรษาทีเดียวที่สู่ผู้ขาดพรรษาย่อมไม่ได้เฉพาะที่สู่ผู้จำพรรษาตลอดจึงได้ส่วนในจีวรเมาสหมาถึงเดือนที่ถวัตจีวรได้เนี่ยเมื่อเขากล่าวว่าถวายแต่ที่สุดทั้งหลายผู้จำมมจพจำจนนจออำรรษา ย่อมถึงแก่พิจุทั้งหลายผู้จำพรรษาในปัดฉิมพรรษาเท่านั้นไม่ถึงแก่พิกจุทั้งหลายผู้จำในปุริมะพรรษาและผู้ขาดพรรษาอันจีวรามาสนี้ก็คงจะหมายถึงเดือนหนึ่งในระหว่างที่จะการกระถิ่นได้มันเป็นเดือนหนึ่งเดือนท้ายของพิจุผู้จําำพรรษาหลัง แตนท่าอารกล่าวถวายในเดือนที่เรียกว่าจีวรารมาว่าถวายแก่ที่ถูกพูดจําบรรศาลย่อมถึงแก่ที่ถุกพู้จําบรรศาหลังไม่ถึงแก่ที่ถูกพู้จําบรญศาแรกหรือว่าผู้ที่มีบรญษาขาดไปตามตั้งแต่จีวารมาไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งเหมันตะรดูเมื่อเขากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายผ้าจํานำบัญษา กระถินจะได้กรานหรือไม่ได้กรานก็ตามทีผ่านั้นย่อมถึงแก่ที่สุดทั้งหลายผู้จำภาษาที่ล่วงไปแล้วเท่านั้นอันหนึ่งเมื่อเขากล่าวตั้งแต่วันต้นแห่งคิมระดูคือระดูร้อนไปพึ่ยกมาติกาขึ้นว่าสำหรับการจำนำภาษาการหมาถึงเวลาเวลาที่จำภรษาที่เป็นอดีตล่วงไปแล้วห้าเดือนการจำภาษาที่เป็นอนาคต ต่อร่วงไปสี่เดือนจึงจักมีท่านให้แก่สองผู้จําพรรษาพวกไหนถ้าเขามากล่าวว่าจะถวายแกพิกจูผู้จำพรรษาเนี่ยนะคือไปกล่าวในรุ่งรุ่งร้อนว่าจะถวายแกพิจุผู้จำพรรษาเนี่ยก็ต้องถามว่าจำพรรษาที่ร่วงไปแล้วหรือว่าจำพรรษาต่อไปที่จะมาถึงท่านให้แก่สองผู้จำพรรษาพวกไหนถ้าเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่พิจูทั้งหลายผู้จำพรรษาที่ร่วงไปแล้ว ย่อมถึงแก่พิสูจน์ทั้งหลายผู้อยู่จําบรรษาภายในพรรษานั้นเท่านั้นพิสูจน์ผู้ชอบกันย่อมได้เพื่อรับแทนพิสูุนผู้หลีกไปถูงที่จริกคือหลีกไปถึงทิศอื่นแล้วถ้าเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแก่พิสูจน์ผู้จำพรรษาในบรรษาที่จะมาข้างหน้าพึงเก็บผ้านั้นไว้ถือเอาในวันเข้าบรรษาเอออันนี้ก็ถวายล่วงหน้าก็ได้นะพุทธีพิกษุที่เข้าบรรษาได้ถวายไว้ก่อนก็ได้ หากว่าที่อยู่คุ้มครองไม่ได้ทั้งมีโจรภัยเมื่อพิจูตกล่าวว่าไม่อาจเก็บไว้หรือไม่อาจถือเที่ยวไปเขาบอกว่าค้าบเจ้าถวายแต่พิจูตทั้งหลายผู้อยู่พร้อมแล้วพึงแจกกันแล้วก็ถือเอาก็ได้ถ้าจะเก็บเอาไว้รอว่าพิกจุที่จะมาจำบรนสาหน้าแล้วค่อยแจกกันเนี่ยนะก็าอาจจะถูกโจรหรือว่าอันตรายต่างๆมันก็บมอยแจกกันเฉพาะหน้านี่ก็ถือเอาแจกได้ หกว่าเขากล่าวว่าท่านพุจรรทธเจ้าขอถวายผ้าจําพรรษาที่ไม่ได้ถวายในสามภาษาก่อนแต่ภาษานี้ไปย่อมถึงแก่ที่สุดทับบ้งหลายผู้จำพรรษาภายในภาษานั้นคือสามภาษาก่อนนี้ไม่ได้ถวายเลยพราะฉะ้นก็ถวายท่าพเจ้าขอถวายผ้าจําพรรษาที่ไม่ได้ถวายในสามภาษาก่อนแต่ภาษาอันนี้ไป ย่อมถึงแก่ิิสูุทั้งหลายผู้จำบรรษาภายในพัรษานั้นถ้าพิจูุเหล่านั้นลีงไปถูกทิศเสียแล้วพิสูุอื่นผู้คุ้นเคยกันจะรับแทนก็ปรงให้ไปถ้าเหลืออยู่รูปเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นวรรณภาพหมด้าทั้งหมดย่อมถึงแก่พิจูุรูปเดียวนั้นแลถ้าว่าแม้รูปเดียวก็ไม่มีตกเป็นของสงฆ์านั้นพิจูพร้อมหน้ากันแจกันเถิดก็ตายหมดเลย ก็เป็นขงสมนั้นสมจะจำบรรษาพิตุในที่นั้นจะจำบรนสาหรือไม่จำบรนษาก็แจกกันได้เพราะว่าพิสูจผู้จำบรนสาตายหมดแล้วต่อไปเป็นมาติกาข้อที่เจ็ดในมาติกาว่าถวายเจาะจงนี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อทายกเขากําหนดเจาะจงถวายยาคูข้าวสวยของขวัญเคี้ยวชีวเรเไสเดสระหรือเพยตัดชื่อว่า ถวายเจาะจงก็คือถวายเจาะจงถวายยาคูด้วยผ้าสวยด้วยของกนเคี้ยวหรือว่าถวายเจด น, นาสนะเพแัดอย่างนี้เรียกว่าถวายเจาะจงในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังต่อบเปนี้ถ้ายกนิมนต์ทิพยจุดทั้งหลายด้วยข้าวต้มประจำวันนี้หรือประจำวันทุ่งแล้วถวายข้าวต้มแก่พวกเธอผู้เข้าสู่เรือนแล้ว ครัถวายข้าวต้มเสร็จแล้วเมื่อพิกสุทั้งหลายฉันข้าวต้มแล้วจึงถวายว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายผู้ฉันข้าวต้มของข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงว่าเจาะจงนะว่าถวายยาคูคือข้าวต้มนั้นแล้วก็ถวายจีวรสําหรับพิสุที่ได้ฉันข้าวต้มนั้นจีวรนั้นย่อมถึงแก่พิสุผู้ได้รับนิมนต์ได้ฉันข้าวต้มแล้วเท่านั้น ส่วนข้าวต้มอันภิกจุเหล่าใดผู้ผ่านไปทางประตูเรือนหรือผู้เข้าไปตูเรือนด้วยพิษขาจารวัดจึงได้หรือข้าวต้มที่ชนทั้งหลายนำบาตรของพิกษุเหล่าใดมาจากอาสนาสาร า, ลาแล้วนําไปถวายหรือข้าต้มอันพระเถร่าทั้งหลายส่งไปเพื่อพิกษุเหล่าใดย่อมไม่ถึงแก่พิกษุเหล่านั้นก็คือจีวร น, นั้นไม่ได้ด้วยจีวรต้องสําหรับพิกจุที่ได้รับนิมนต์มาถวายข้าวต้ม แต่ถ้าว่าพิสูุแม่เหล่าอื่นกับพิสูจที่ได้รับนิมนต์มากันมากนั่งเต็มทั้งภายในเรือนและนอกเรือนแม่ทายกกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ได้รับนิมนต์หรือไม่ได้รับนิมนต์ก็ตามข้าวต้มข้ามเจ้าได้ถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดผ้าเหล่านี้จงเป็นของพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงเหล่านั้นดังนี้ย่อมถึงทั่วกัน ก็คือพิสูตรูปไหนในรั้นข้าวต้มผ้าก็ถึงแก่พิกษุรูปนั้นด้วยก็ให้แจกให้ตัวถึงกันฝ่ายพิสูตรเหล่าใดได้ข้าวต้มจากมือพระเถระย่อมไม่ถึงแก่พิสูตเหล่านั้นก็คือพระเถระได้ฉั้นข้าวต้มแล้วก็ดำไปให้พระพิสูุรูปอื่นด้วยพิสูตรูปอื่นก็ไม่ได้ท้าด้วยถ้าเขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดฉันข้าวต้มของข้าพเจ้า ผ้าเหล่านี้จงเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจนทั่วกันดังนี้ก็ย่อมถึงทั่วกันก็คือใครได้ฉันก็ต้มด้วยก็ได้รับผ้าหมดแม้ในข้าวสวยและของคนเขี้ยวก็ในนี้แหลส่วนในจีวรถ้าทายกผู้เคยถวายจีวรแก่พิตุทั้งหลายซึ่งตนนิมนต์ให้จาภาษาแม่ในการกอนให้พิจุฉันแล้วกล่าวว่า ในการก้าบเจ้าได้ถวายชีวรแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดชีวรนี้ก็ดีได้ก็ดีโดยใสน้ำผึ้งและดําอ้อยเป็นต้นก็ดีจงเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นแหลทุกอย่างย่อมถึงแก่พิกจุเหล่านั้นเท่านั้นก็คือใครเคยได้รับชีวรของข้าพเจ้าก็ขอให้วัตถุธยธรรมเหล่านี้ถึงแก่พิจุเหล่านั้นทั้งหมดก็เฉพาะที่เคยได้รับชีวรแม้ในเสดานะ เมื่อเขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าใดอยู่ในที่อยู่หรือในบริเวณที่ข้าพเจ้าสร้างผ้านี้จงเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นย่อมเป็นของพิกษุนั้นเท่านั้นแม้ในเพศสัตว์เมื่อเขากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายเพศสัตร์มีเนยใส่เป็นต้นแต่พระเทระทั้งหลายทุกเวลาเพสัตเหล่านั้นอันพระเทระเหล่านาได้แล้วผ้านี้จงเป็นของพระเทรัเหล่านั้นเท่านั้น ดังนี้ย่อมเป็นของพระเถระเหล่านั้นเท่านั้นนี่ก็ถวายประจําใครเคยได้รับผ้าก็ตามใครเคยได้รับเสษอาสนะหรือว่าเพสัตรูหรือว่าพัดผมกระผมกระผมก็มกถวายผ้ามีแก่พิจุเหล่านั้นนั่นแหละอันนี้เรียกว่าถวายแบบเจาะจงคือถวายผ้าเจาะจงปัจใจสี่ที่เคยได้รับแล้วต่อไปมัติดกาข้อที่แปด ในบณิกาว่าถวายแก่บุคคลนี้มีเนื้อความดังต่อไป น, นี้เขาถวายรับหลังอย่างนี้ว่าขับเจ้าถวายชีวรนี้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้หรือวางไว้แทบเทา้าถวายต่อหน้าอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขับเจ้าถวายชีวรนี้แก่ท่านดังนี้ก็ดีชีวรนั้นย่อมเป็นของพิกจุนั้นเท่านั้นจะถวายรับหลังหรือว่าจะถวายต่อหน้าก็ตาม ก็ถ้ว่าเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าถวายจีวร น, นี้แก่ท่านด้วยแก่อันเทวาสิทธ์ทั้งหลอยของท่านด้วยดังนี้ย่อมถึงแก่พระเทเรและเหล่าอันเทวาสิทธ์ในเป็นลูกศิษย์ของพระเทเะทั้งหมดก็มีส่วนในจีวร น, นี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ได้กล่าวชมว่าลูกศิษย์รูปไหนเที่ยงตุผู้มาเพื่อเรียนอุเทศและผู้เรียนจบแล้วจะไปมีอยู่ย่อมถึงแม้แก่เธอด้วย เมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแกพริกถุทั้งหลายผู้เที่ยวอยู่เป็นนิสกับท่านย่อมถึงแกอุดเดสันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ที่มาเรียนอุเทศมาเรียนพระบาลีทั้งปวงผู้กระทำวัดเรียนอุเทศและปริจญาเป็นต้นเที่ยวไปอยู่อันนี้ก็ได้หมดนี้เป็นวินิชฉัยในบทนี้ว่าถวายแกบุคคลอันนี้ก็ม่มีปัญหาอะไร เ อ, อ่ยชื่อถวายใจใครบุคคลนั้นก็ได้หรือว่าถวายใจลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ก็ต้องได้ด้วยถ้าพิจุบางรูปจํำราษาอยู่รูปเดียวมนุษย์ทั้งหลายในถิ่นนั้นถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าถวายจีวรแก่สงดังนี้ถามว่าในเรื่องนี้พิจูพึงทําอย่างไรก็จํำราษาอยู่รูปเดียวเท่านั้นเองอ่ะแล้จะทํำองไรเขาถวายแก่สง์ตอบว่า หากว่าได้คณะปูรกาภิกษุก็คือภิกษุที่มาทําคณะให้บริบูรณ์กฐินเป็นอันกราแล้วเราก็ได้กลากระถินด้วยเพราะว่าพระภิสุแม้จำํำราษารูปเดียวเนี่ยสามารถมีมนพระพิกสุรูปอื่นมาอีกสี่รูปแล้วก็มากลางกระถินถ้าได้ผ้าก็บากรากระถินภิกตุที่อยู่จำํำภรษานั้นก็เป็นผู้ที่คลองผ้า แเรวก็ได้รับอานิสอ์กระถิน่นตัวพิกษุอีกสี่รูปนั้นเนี่ยก็เป็นคณะปูรกาหมายถึงว่ามาทําคณะให้เต็มเพราะว่าการกราดกระถินต้องใช้พระพิสุห้ารูปสี่รูปก็เป็นสงอีกรูปหนึ่งก็เป็นผู้ที่ของผ้าเพราะฉะนั้นหากว่าได้คณะปูรกะพิกสุกรถิ่นเป็นอันกราดแล้วชีวอเหล่านั้นเป็นของเธอตลอดห้าเดือนก็คือชีวรนั้นเนะ่ยพิสุที่อยู่จำพรรษานี้ได้อนิสง์ ทั้งหมดห้าข้อชีวอร์นั้นก็เป็นของเธอตลอดห้าเดือนเลยนะแต่ถ้าไม่ได้กรารกระถินตลอดชีวาระหมาย ถ, ถึงเดือนท้ายหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยมีระยะเวลานับไปอีกหนึ่งเดือนนั้นเป็นช่วงชีวาระหมาย ถ, ถึงเดือนหนึ่งที่สามารถที่จะแสงหาคีวอร์ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้กรารกระถินแล้วก็ผู้ที่สามารถนาผ้ามาถวาย ทำเป็นผ้ากรถิ่นเนี่ยได้ตลอดเดือนหนึ่งเดือนท้ายของฤดูฝนเนี่ยจีวรที่พิจุแม้ถือไปที่อื่นแล้วใครๆอื่นก็ไม่เป็นใหญ่แห่งจีวรเหล่านั้นก็คือจีวรนนั้นเป็นของพิกจุรูปนี้เท่านั้นเพราะมีพระบาลีว่าลูกกรพิกจูทั้งหลายเราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงเวลากระถินดอกก็หมายถึงห้าเดือนหลังจากออมสาตไปแล้ว อาเดือนเมื่อได้กลานกระถินเกาผ้านั้นก็เป็นอุเธรูปเดียวถ้าจำพรรารูปเดียวดังนี้จีวรใดๆอันพวกทายกถวายว่าข้าเจ้าถวายแก่สองก็ดีถวายว่าข้าเจ้าถวายเฉพาะสองก็ดีถวายว่าข้าเจ้าถวายแก่สองผู้จำบรรษาแล้วก็ดีถวายว่าข้าเจ้าถวายผ้าจำบรรษาก็ดี แม้หากว่าจีวรของพิสุผู้มรณาภาพยังไม่ได้แจกก็คือจีวรมรดกของผู้ตายทิกสุเข้าไปถวัดานั้นจีวรทั้งปวงนั้นน้องเป็นของพิสุผู้กราบกระถินแล้วเท่านั้นพิกสุอื่นมาก็ไม่ต้องแจกไม่ต้องแบ่งด้วยพิกสุนั้นถือเอาผ้าจําพรรษาแม้ในจากทุนทรัพย์ที่วัทยบชิกรตั้งไว้เก็บดอกเบีย้ยเพื่อประโยชน์แก่ผ้าจําำพรรษา หรือจากกลัลปนาสงค์อันเกิดในวัดนั้นผ้าจำนำภาษานั้นทั้งหมดเป็นอันเธอถือเอาดีแล้วก็ไม่มีโทษอะไรในเรื่องนี้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ผ้าที่เกิดขึ้นแก่สง์โดยอาการในๆก็ตามย่อมถึงแก่พิจุผู้กรานกระถินแล้วตลอดห้าเดือนแก่ผู้ไม่กรานกระถินตลอดจีวรมาเดือนหนึ่งทายฤดูฝนภาษแล้วนั่นเอง ก็ถ้าว่าพิสูุบางรูปอยู่รูปเดียวในฤดูการอื่นจากฤดูฝนคือไม่ได้จำพรรษาหรอกแต่ว่าอยู่รูปเดียวในฤดูร้อนก็ตามฤดูหนาวก็ตามมนุษย์ทั้งหลายในถิ่นนั้นย่อมถวายจีวรว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงพิสูจนั้นพึงอธิษฐานว่าจีวรเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าก็อันพิสุจผู้จะอธิษฐานพึงรู้จักวัดจึงอยู่พิกูุนนั้นพึงตีระฆังประกาศเวลาแล้ว คอยหน่อยหนึ่งอันนี้แม้ว่าอยู่รูปเดียวไม่ได้จำาสารในฤดูร้อนหรือว่าในฤดูนหนาวก็ตามที่สุอยู่รูปเดียวแล้วมีภาพเกิดขึ้นก็ถวายแก่ทวงด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมเนียมก็คือตี๊ยรคันเพื่อประกาศเวลาแม้อยู่รูปเดียวก็ตามแต่ว่าขณะที่จะแบ่งจีวรพราะพิกรุอาจจะเข้ามาในอุปจาระศีมาของวัดนั้นแล้วก็ได้มันก็ควรจะตีะ๊ยรคัน ตัดตี๊ยรักังแล้วตั้งทิศที่เข้ามาก็อาจจะคิดว่าเขามีการประชุมอะไรกันในสมัยก่อนก็คงจะรู้ธรรมเนียมว่าถ้าตีระคังก็อาจจะมีเรื่องเช่นในการที่จะแจกจีวอรหรือแจกปัจเจศสีต่างๆเนี่ยประชันทีรักังประกาศเวลาแล้วคอยหน่อยหนึ่งถ้าทิศทุทั้งหลายมาตามสัญญาณระคังหรือตามกําหนดเวลาพึงแบ่งกับทิศทุ่งเหล่านั้นด้วยถึงแม้ว่าจะมพาร์สรูปเดียวแล้วก็มาถวายจี้วอแต่ว่าถวายแบบสงองนี้ ต้องรอถ้ามีพิกูตรูปใดมาทันเวลานั้นก็ต้องแบ่งกับพิกูุรนั้นด้วยถ้าพิกูุเหล่านั้นกําลังแบ่งชีวรนั้นแต่ยังไม่จับสลากมีพิสูตรูปอื่นมาปึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆกันด้วยเมื่อจับสลากเสร็จแล้วมีพิกษุอื่นมาพวกเธอไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งถ้าจับสลับเรียบร้อยแล้ว ที่สูอื่นมาที่หลังไม่ต้องแบ่งแต่ถ้าอยากจะแบ่งให้อันนี้ก็เป็นกุศลของเธอจึงอยู่เมื่อการสักว่าซี่แห่งสลากแม้ส่วนหนึ่งอนิจจุตจับแล้วแม้มีภิกตุตั้งพันจีวรชื่อว่าได้ถือเอาแล้วทีเดียวก็คือถ้าสลากหรือว่าซี่แห่งสลากซึ่งเป็นไม้ไทยก็ตามปัจจุบันเมื่ใช้เขียนใส่กระดาษก็ตามเนี่ยถ้าภิกตุจับแล้วที่สู่อื่นมาก็ไม่ได้ส่วนแบ่งแล้ว เามาถือว่าเป็นอันแจกแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ใคร่จะให้ก็ไม่ต้องให้ส่วนแบน่งแต่ท่านภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ประสมจะให้ส่วนแบน่งตามความพอใจของตนก็จงให้เถิดแม้ในอนุภาพก็มีในอย่างนี้แหลก็คือส่วนย่อยๆไปแลนะ้วก็ให้เป็นไปอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกติการเรื่องของวิธีการในการที่จะ แจกหรือว่าในการที่จะแบ่งชีวรเป็นต้นส่วนปัจจัยอย่อื่นเจะมีแสดงที่หลังวันนี้ก็ควรดูแลก่น อ, อนดูบทดาสาธุแต่ผู้ที่สนใจศึกษาพระวินัยเพื่อใครในการที่จะยังวัดก็ดีดังศีลก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้บริบูรณ์เพื่อเครื่อกูลแก่สมาธิและปัญญาไขท่านทั้งหลายอบรมตรจิตกรได้บริบูรณ์บรรลุอริยสัจตาม ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสุตริตร ส่งบรรลุแล้วด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ